ก็ความในมัชฌิมนิกายมูลปัญาธาดเนี่ยนะวันนี้มาขึ้นจุลสัจจกะสูตรจุลสัจจกะสูตรเนี่ยนะก็คือเป็นการแก้ความเห็นของสัจจกะนิครนซึ่งสัจจกะนิครนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นที่ยากที่ผู้อื่นจะเอาชนะได้มันชัยชนะที่พระองค์มีเรียกว่า โตคารมังั่นเถปรับวาทะแก้ลทัทธิของสัจจกะนิครนนั้นถือว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญที่ในคาถาพาหุงแดบทหรือพุทธชัยมงคลาาก็ยกมากล่าวเป็นหนึ่งในจำนวนชัยชนะแปประการของพระพุทธเจ้าอย่างที่ข้อความในพาหุงที่กล่าวว่าสัจจังวิหายะมติสัจจกวาทเกตุงวาธาปิโรปิตามนังอติอันทพูตัง ปัญญาปฏีปัชชะลิโตโฉดวามุนินโทก็คือพระจอมมุนีเนี่ยทรงรุ่งเรืองด้วยพระประทีปคือปัญญาคือพระองค์เนี่ยมีพระปัญญาเนี่ยรุ่งโรดรุ่งเรืองสว่างสวยัยพระองค์ได้ชนะสัจจกะนิครนผู้มีอัธยาศัยในอันที่จะสละเสียซึ่งความจริงคือแนวความคิดของเขาเนี่ยโดยมากน้อมไปดิ่งไปที่จะเป็นมิจฉาทิฐิ เพราะเขามีใจในในอันที่จะยกถ้อยคำของตนเนี่ยให้สูงขึ้นเป็นคนที่ยกตัวเองมากเลยเป็นคนที่พยองมากเรียกว่าลำพองมากนะเรียกว่ามีความมั่นใจเนี่ยนะมานแรงกล้าเหมือนกับธงอยู่บนยอดเสาขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มืดมนยิ่งนะักพระองค์แก้เขาชนะเขาด้วยเทศนายานวิธีเนื่องจากพระองค์รู้อัธยาศัยแล้วแสดงพระธรรมเทศนา บอกว่าสัจจการนิครนเนี่ยเป็นพวกพุทธเวไนคำถามคำตอบของเขาเนี่ยถ้าไม่ไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าแก้ไม่ได้นะนะคือความเห็นของเขาเนี่ย โ, โหหนักอาการถือว่ารุนแรงมากในจุลสัจจกะสูตรเนี่ยนะข้อสา2อเก้าิบสองเป็นต้นไปหน้าเจสิบหกกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้นะสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในพระวิหาราวิหารยอดในป่ามหาวันกรุงเวสาลีหรือว่ากูตาคารสาลาป่ามหาวันเนี่ยนะสมัยนั้นบุตรแห่งนิครนผู้หนึ่งชื่อว่าสัจจกะอาศัยอยู่ในเมืองไผ่สาลีเวสาลีไผ่ า, าลีนี่อันเดียวกันสมัยนั้นบุตรแห่งนิครนผู้หนึ่งชื่อสัจจกะอาศัยอยู่ในเมืองไผยสาลีเนี่ยเขาเป็นคน สังสันนารัตินั้นนั้นคือเป็นนักพูดนะนะนักแก้ลัทธิเป็นคนที่ชอบประคารมเนี่ยนะชอบแก้ไขคนอื่นนะเพราะฉะนั้นใครมีละลัทธิมีความเห็นที่ตัวเองคิดว่าไม่ร่องไม่อยู่ในร่องในรอยพวกนี้ชอบจัดระเบียบความคิดของคนอื่นเหนั้นเนี่ยเขากล่าวยกตนว่าคนเป็นเจ้าปัญญาเนี่ยนะยกตัวเองมากว่าเขาเนี่ยคือเจ้าปัญญามหาชนสมมุติเขาว่า เขาเนี่ยเป็นคนมีความรู้ดีคือแล้วชาวบ้านชาวเมืองก็ยกย่องเขาด้วยนะว่าเขาเป็นคนมีความรู้ดีแล้วก็เขาเองก็เขาคิดว่าเขาเนี่ยมีปัญญาที่สุดเพราะฉะนั้นเขาจึงได้กล่าววาจาโอ้อวดในที่ประชุมชนในเมืองภัยสาลีอย่างนี้ว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพรามที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ครูของหมู่ปฏิ ญ, ญายืนยันตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ไกลาจากกิเลสควรนับถือหรือผู้ที่ปฏิญาณตัวเองว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เองโดยชอบที่เราเข้าไปโต้อตอบถ้อยคำแล้วจะไม่ประมาะนนะก็บอกว่าเขาคุยกับพระพุทธเจ้าองค์ไหนว่าใครก็ตามที่อวดอ้างสรรพคุณว่าตัวเองเป็นพระอรหันตไปคุยแล้วเนี่ยไม่มีใครสักคนที่ไม่ประมาะไม่ตัวสันวันไหว มีเหงื่อไม่มีเหงื่อไหลโสมออกจากรักแร้แปลว่าคุยกับใครเนี่ยนะคนนั้นเหงื่อท่วมหมดขอให้ปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เถอะว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยนะเขาก็โม่ต่อไปอีกบอกว่าถ้าเราจะโต้อตอบถ้อยคํากับเสาที่ไม่มีเจตนาแม้เสานั้นก็ยังส탄ว่างั้นนะคุยกับเสาเสายังส탄เหน่งนั่นนะเสายังหวั่นไหวจะกล่าวไปย้ายถึงสัตว์ที่เป็นมนุษย์เราเนี่ยนะโอ้สุดยอดเลยนะโม่จริง มาดูอัตถกาถาว่าจอมโมเนี่ยมาจากไหนเนี่ยนะในอัตถกาถาจุลศัจกสูกสูรมีอยู่ว่ า, าประวัติเนี่ยนะต้นกำเนิดของศัจการิครณเนี่ยนะเขาบอกว่ามีชายหญิงนิครณคนหนึ่งชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งชายก็ได้เรียนวาทะมาห้าร้อยวาทะหญิงก็ไปเรียนได้ห้าร้อยวาทะเพราะฉะนั้นเขาจึงคิดว่าเราจะยกวาทะ เมื่อเที่ยวไปในชมพูทวีปมาอยู่ร่วมกันในกรุงเวสาลีเจ้าลิชวีเห็นก็ถามว่าท่านเป็นใครท่านเป็นใครชายนิครนก็ตอบว่าข้าพรองเที่ยวไปในชมพูทวีปด้วยคิดว่าจักยกวาทะแก้ลัตทีคนอื่นเนี่ยนะหญิงนิครนก็กราบทูลอย่างนั้นเหมือนกัน น, นะเจ้าลิชวีนั้นก็ขอให้จงยกวาทะกันและกันในที่นี้เถิด น, นะไอเอจ้าเจ้าลิชวีนี่ก่อนหน้าดูกันนะ เอางี้แล้วกันไหนๆก็สองคนนี่เก่งแลือเกินชายก็เก่งหญิงก็กล้าเอามาสนทนากันดูเอาหญิงกับชายเนี่ยมาคุยกันเพราะหญิงนิครนก็ถามวาทะห้าร้อยที่ตนเรียนแล้วชายนิครนก็ตอบเมื่อชายนิโครนถามหญิงนิครนก็ตอบเสมอกันเป๊ะเพราะว่าคนละ500ร้อยเนี่ยนะพอดีกันเนี่ยนะต่างคนต่างถามต่างคนต่าง ต, งตอบเสมอกันหมดเพราะฉะนั้นในสองคนไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้เป็นผู้เสมอเสมอกันเนี่ยนะ ทั้งผู้ชายก็คารมคมกล้าทั้งผู้หญิงก็คารมคมหอกว่าน้นเถอก็เลยพอดีกันชนะก็ไม่มีใครชนะใครไม่มีใครแพ้ใครเนี่ยนะเป็นหนังจีนก็เหมนะ่นั่นน่ะห้าร้อยเพลงดาบมางั้นน่ะแต่นี้ก็ห้าร้อยวาทะมางั้นน่ะห้าร้อยวาทะสนทนาการเนี่ยคนฟังในหูชาเลยว่าไงสรุปเจ้าฤิ์ชวีบอกว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะทาําไงดีเพราะฉะนั้นก็เลยเจ้าฤิ์ชวีก็ออกความเห็นว่าท่านทั้งสองคนเนี่ยเสมอเสมอกันจัดเที่ยวทําอะไรอยู่ในที่นี้เธอะ ก็เลยพระราชทานเรือนให้แต่งตั้งบ้านสวยให้เนี่ยนะคือกยกบ้านยกเมืองให้ให้อยู่บ้านหนึ่งแล้วก็มีอาณาเขตเก็บภาษีกินเองได้เนี่ยนะเพราะการอยู่ร่วมกันของทั้งสองคนนั้นเนี่ยนะก็เกิดทิดามีลูกสาวอยู่สี่คนก็คือสัจจาคนหนึ่งโลลาคนหนึ่งปตาจาราคนหนึ่งแล้วก็ศิลาวตัาาวตกาคนหนึ่ง ปตาจารานิคนละองกับที่ที่ที่ลูกตายนะคนละคนกันในทีดาทั้งสี่คนเหล่านั้นก็เป็นบัณฑิตด้วยกันเพราะฉะนั้นทั้งทั้งสี่คนก็เรียนวาทะคนละ500อันจากมารดาบิดามาแล้วหญิงเหล่านั้นเจริญวัยก็พูดกับมารดาบิดาว่าแม่ชื่อว่ากุลธิดาของเราไม่ต้องการเงินและทองเป็นต้นเป็นต้นแล้วส่งไปสู่ตระกูลเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าจะมีผัวไม่ใช่แบบ แบบกติกาชาวบ้านชาวเมืองเรียกว่าให้คนอื่นมาสู่ขอเสียค่าสินสอดทองหมายเป็นต้นแล้วก็เอาไปนะไปมีครอบมีครัวบอกไม่ตระกูลเราไม่มีธรรมเนียมแบบนี้เพราะผู้ใดถ้าหากว่าไปเจอชายใดที่เขาครองเรือนสามารถที่จะย่ำยีวาทะของหญิงเหล่านั้นได้หญิงเหล่านั้นจะต้องไปเป็นบาดปริจาริกาหญิงรับใช้ชายคนนั้นอนะก็บอกว่าธรรมเนียมของเขาก็คือถ้าต่อสู้กันทางความคิดเนี่ยนะถ้าชนะความคิดของหญิงทั้งสี่คนได้นี่ก็ ชายคนนั้นก็สมควรที่จะได้หญิงคนนี้ไปรับชายเนี่ยนะก็ไม่มีธรรมเนียมที่จะต้องใช้สินสอดทองมั่นอะไรนี่ไม่มีอันนี้ถ้าหากว่าผู้ชายที่ครองเรือนนะนะถ้าชายครองเรือนชนะวาทะของเจ้าทั้งสี่ก็ไปเป็นเมียเข้าไปถ้าพวกนักบวชละ่ะนะนักบวชที่สามารถเพื่อจะย่ำยีว่าที่วาทะของหญิงเหล่านั้นได้หญิงเหล่านั้นก็ต้องไปบวชในสำนักของผู้นั้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะทาอย่างไร นะก็คือพ่อแม่ก็ไม่ออกความก็คือเสนอแนะแบบนี้เนี่ยนะก็พันลูกจงไปตามทางของลูกหญิงทั้งสี่คนก็ถือเพศนักบวชคิดว่าแม้พวกเราจะกระทําอย่างนี้แหละเนี่ยนะก็หาผัววิธีแปลกที่สุดมากเลยเนี่ยนะก็คือถ้าชายใดเก่งกว่าก็จะไปเป็นภริยาของชายนั้นถ้านักบวดรูปใดเก่งกว่าก็จะขอไปบวชอยู่ในรัตทินั้นเนี่ยนะจะบวชก็ได้จะครองเรือนก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะ เอาทั้งส อ, งอย่างมางั้นอ่ะขอให้ใครก็ได้ที่ชนะวาฏทะของตัวเพราะฉะนั้นก็เลยเที่ยวไปในชมพูทวีปก็ชมพูทวีปนี่ก็ใช้ไม่ว่าเป็นสัญลักษณ์ไม่ว่าเนี่ยนะก็ถือไม่ว่าเนี่ยกิ่งว่าท่องเที่ยวไปไปถึงหมู่บ้านใดก็ปักธงว่าเอาไว้บนกองฝุ่นหรือกองทรายกาไปปักต้นว่าเนี่ยนะกิ่งว่าเอาไว้แล้วก็ประกาศเลยว่าผู้ใดสา ม, มารถยกวาฏทะเชิญผู้นั้นเหยียบทงคือ ต้นว่านี้ไปแล้วก็เข้าหมู่บ้านเนี่ยนะก็ประกาศเพราะฉะนั้นเขาเที่ยวไปทุกๆหมู่บ้านอย่างนี้ถึงกรุงสาวัตถีไปปักไม้ว่าไว้ที่ประตูหมู่บ้านเหมือนอย่างนั้นบอกพวกมนุษย์ที่มาถึงแล้วเข้าไปตัวเองก็เข้าไปในภายในพระนครเพราะว่าเป็นนักบวชอ่ะนะก็ต้องเียถือก็เบื้องเที่ยวขออาหารเขาแต่ว่าก็ปักตักธงเอาไว้ว่าใครกล้าใครเก่งจริงก็เหยียบไม่ว่าแล้วมาประลองคารมกันสมัยนั้นเนี่ยเยอะนะแบบโต้เถียงกันแบบ อภิปรายนะฮะอภิปรายลัทธิเนี่ยนะก็สมัยนี้ก็เป็นไม่ไม่อภิปรายลัทธิฮะอภิปรายเรื่องการเมืองแทนเนี่ยนะอภิปรายในสภาโตวาทะเนี่ยนะเรียก ว, ว่าโชวิสัยทัดว่าใครเก่งกับกันเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันเขาก็โตเรื่องลัทธิใครมีทฤษฎีดีกับกันก็ก็ชนะก็มีน้ำลายเป็นเครื่องชนะนะใครน้ำลายเก่งกว่าลัทธิเก่งกว่าคนนั้นก็ชนะไป สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยอยู่ในกรงสาวัตถีประทับอยู่ที่พระเชตวันครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรอะ น, นะปกติพระสารีบุตรจะไปบินทบาทสายทำไมเพราะพระสารีบุตรจะคอยถามอาการของพระป่วยอันนะในวัดเนี่ยมีพระป่วยอยู่กี่รูปท่านก็ไปเที่ยวถามะ่ะ ไปถามอาการป่วยองค์ที่หนึ่งอาการป่วยเป็นยังไงองค์ที่สองอาการป่วยเป็นยังไงองค์ที่สท่านต้องการปัจจัยสีบ้างไหมท่านมีคนอุปถากไหมถ้าหากว่าท่านขาดเรื่องอยู่เรื่องยาพระสารีบุตรก็จะจัดหาให้ถ้าหากว่าไม่มีคนอุปถักท่านก็หาพระเนียนไปอุปถักให้อย่างนั้นก็คอยตรวจสา ร, รวจตรวจตาหรือบางทีสถานที่ที่เขาจัดยังไม่เรียบร้อย เรีว่าบริเวณวัดเป็นต้นไม่เรียบร้อยเนี่ยนะพระสารีบุตรก็ไปปักกวาดเช็ดถูซะเองเลยเนี่ยนะเรียกว่าคอยจัดการเรียบร้อยเรียกว่าดูแลความเรียบร้อยของวัดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้านจะไปสายกว่าภิกษุเหล่าอื่นทั้งหมดเนี่ยนะจะบิณฑบาตสายเพราะว่าหมู่แต่ดูแลเรื่องพระป่วยเรื่องวัดว า, ารามนี่แหละเพราะอะไรเพราะเป็นคนมีกิจมากเนี่ยนะถามว่าทําไมเพราะท่านคิดว่าเอออยาได้เป็นที่ตั้งแห่งความ คอระหาเลยเนี่ยนะว่าแม้อยู่กันไม่เรียบร้อยหรือพระป่วยเนี่ยนะมีคนป่วยก็ไม่มีใครดูเลยไม่มีใครสนใจ อ, อาการของวัดก็เละเกล ะ, ละกลางไปหมดเป็นต้นไม้เนี่ยนะท่านจะดูแลทําความเรียบร้อยเยี่ยมเลยพันพอไปเห็นต้นว่าอยู่ที่ประตูหมู่บ้านก็ถามพวกเด็กว่านี่อะไรการพวกเด็กเหล่านั้นก็ตอบพระเทระก็บอกว่าเจ้าจงเหยียบต้นว่านี้เถอะเด็กก็บอกว่าท่านผู้เจริญครับพระเจ้าไม่สามารถไม่กล้าที่จะเหยียบหรอกกลัวเหมือนกัน พระเถระบอกไม่ต้องกลัวนะพันพระเถระก็เลยบอก เ, อเด็กๆ ก, ก็เลยพูดว่าเมื่อนางปริจการถามว่านะใครให้เหยียบล่ะก็บอกว่าเมื่อพวกนางถามก็บอกว่าเรานี่แหละให้เหยียบนะบอกว่าพระสารีบุตรผู้เป็นพุทธสาวกเนี่ยให้เหยียบเพราะฉะนั้นถ้าทั้งสี่คนปรารถนาจะโต้วาทะให้ไปยังสำนักของพระเถระที่เชตวัน ระษาริบุต์จะไปฉันเสร็จแล้วจะไปรอที่นั่นแต่ใครอยากโตคารมไปเลยเหมือนกันพวกเด็กฟังคำของภาษาริบด์ก็พากันเหยียบต้นว่าทิ้งหมดเลยนะนะเหยียบมันก็กิ่งไม้ปักธรรมดา น, นี่แหละพระเระเที่ยวบินทบาทแล้วก็กลับไปยังวิหารพวกนางปริภาชิกาออกจากหมู่บ้านก็ถามว่าใครเหยียบทงของเราเด็กก็บอกเสร็จแล้วนางปริภาชิกาในความที่เขาเป็นนักโตคารม เมื่อชีพเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่แอบไปโต้กับใครที่ไหนเงียบๆเขาเลยกลับเข้าไปในหมู่บ้าน น, นะไปโพลธนาเลยไปประกาศไปโฆษณาเชิญชวนว่าได้ยินว่าพระสารีบุตรพุทธาสาวกจักโต้ ว, วาทะกับพวกเราท่านประสงค์จะฟังก็จงออกไปเถิดเที่ยวประกาศทั่วชาวบ้านชาวเมืองนะให้เขารู้ว่าทั้งสี่นางเนี่ยจะไปโตคารมโต ว, วาทะโตลทัทธิ ทิธิกับภาษารีบทพันมหาชนได้ข่าวโอ้โหงานนี้เขาโตว่าทะกันครั้งยังยิ่งใหญ่เนี่ยนะสมัยใหม่ก็เหมือนกับอภิปรายนั่นแหละเนี่ยนะสองพรรคการเมืองใหญ่มาอภิปรายด้วยกันเนี่ยนะประชาชนก็แห่กันไปฟังว่าใครมีนโยบายยังไงมีทิฐิลับทีแนวทางยังไงนะ้องเรื่องนะเนาะก็ขึ้นเวทีปราศัยกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันเฉพาะหน้าแยกกันคนละเวทีเนี่ยนะไม่ได้เดี๋ยวกัดกัน